พระธรรมเทศนากันนี้แทนพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปโนแสดงโปรตนาศัทาที่มาจากจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่22มกราคม2568ณวัดป่าบันตาจังหวัดอุดรธานีในนาทีไมล่าทางเล็กและทร้งทำ ยอมเป็นความลำบากหรือตามเงาอาศัยความทำ น, นั่งเพื่อนทำอยู่เ ป, ป็นประจำเมื่อจิดอื่นเคยนเคยเห็นว่าลำบากก็ค่อยกลายเป็นของงาขึ้นามาการปฏิบัติประกาศสำนัก็มีว่าเป็นเที่นนั้ น, นเหมือนกัน เพราะเราไม่เคยทำมาบวชเขาเพิ่จะเลยมาบวชไม่เคยมีการบวชบวชติดตึดอย่านนอย่างเขาทำงานจะดจำบ่างการศึกษาศึกษาบวชยึดไม่ตลอดทำพทิกหมุนทลิกหมุนก็ตังเป็นการลำมากยากตั้งการติดจม ยากทั้งการประนันไปประพฤติตบัติบัตรกายวาตาใจทั้งตนให้เป็นประการของพระธรรมวินัยที่จง็ป็นฐานองคการไปกันมาเหลือด้า้เรืองขาในเอืบททั้งสี่นหลักผู้ก้าวเข้ามาเป็นนักบวชแล้วย่อมมีพระธรรมเนี่ยพระวินัย เป็นเพียงปกครองรักษาพิยามายาธที่จะเพียงไหมไปมาต้องมีธรรมมีวินัยตามคุ้มครองรักษาอยู่เสมอมาให้เพียงแค่จับกลับพิมายาธของพระที่ผมกรองกับพระทำให้หมดอันเป็นเหตุที่จะทำตัวให้ มีความร่มเย็นและเป็นความสีย ง, งามแบบจำเปนและอากาศเป็ น, นป ท, ทั่วๆไปทุกๆความเคลื่อนไหวต้องมีการระมัดระวังไม่เช่นนั้นก่อไม่จัดว่าเป็นนักบวชซึ่งเป็นเพศติ่สังรวมระหวังมีเกี่วถึงความยากก่อัำยากประจนหน้าทีหรือเพศของตัน ถ้าหน้าที่นี้มีงานประจำตนอย่างนี้ได้แก่งานจะปฏิบัติตามหลักของข้อดีใหมปฏิบัติตามหลักของข้อธรรมเพื่อนำผลอันเป็นความเจริญมาสู่ใจทั้งหรอเป็นมีการยากบบ่งเป็นธรรมดาแต่ความยากหรือความง่าย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 กลับมาปรับปรุงเหตุที่การบำเพ็ญให้เป็นไปตามไม่ต้องคํานึงถึงความยากหรือความลำบากแตหากเราจะมาพิดในแง่ของความยากความลำบากแล้วจริงเรานี่แล้วจะต้านลางการํารำเนินของเราไม่สะดว ความที่ว่ายากว่าง่ายนั้นย่อมมีอยู่ในหน้าที่การงานทุกแผนกถึงวาระจะยากก็ต้องยากแต่ต้องทำถึงวาระที่จะง่ายสะดวกจะต้องง่ายและสะดวกจําเป็นก็ต้องทำเพ่อนเดียวกันกันกบจิตการงานซึ่งถึงจิตหรือวาระที่ยากความยากและง่ายทั้งสองประเภทนี้ เป็นหน้าที่ของผู้ดำเนินงานจะ ต, ต้องฝ่าฟืน้นจนผ่านไปได้ถึงผลที่ตนมุ่งหวังสำหรับนัก บ, บวชของเราโปรดได้ทำานึ่งถึงผลที่ตนต้องการแล้วปรับปรุงเหตุคือการดำเนินั้งตนด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าให้ความเกียดคร้านความมักง่าความอ่อนแอเข้ามาแรก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 เป็นที่พึงพอใจจึงมุ่งต่อการปรับปรุงตัวเองเพื่อความก้าวหน้าและแข็งแรงขึ้นไปเป็นัำดับทั้งด้านการเประพฤติเกี่ยวกับทางด้านพระวินัยคือเกี่ยวกับมรรยาทภายหนทั้งด้านความเปิดพืชคือการดัดแปลงจิตใจทั้งตนให้เป็นไปตามอำ น, นาจข่งความเพียร อย่าให้เป็นไปตามนาคของกิเลสผิดลลาดไปผลที่จะเกิด น, นาจะกลายเป็นความเดือดร้อนไม่สมกับพระประสงค์ที่พระองค์ท่านทรงวางพระธรร ม, มาไว้สําหรับให้เป็นความร่มเย็นแก่โลกผู้มีความร้อนอยู่เป็นประจำในสังกัดแล ะ, ะสมความมุง่งจะไม่สมความมุ่งหวังของเราคู่มุง่งนามาหาความร่มเย็นใส่ตัวเอง ด้วยการปฏิบัติธรรมของพระองค์ท่านเมื่อธรรมของพระองค์ก็เป็นธรรมที่ทรงไว้ขึ้นความร่มเย็นอยู่แล้วด้วยเราก็ปฏิบัติคือกรับปรุงกายวาจาใจของเราให้เข้ากับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความร่มเย็นด้วยผลที่จะงกิะจักกับใจของเราผู้จะพึงรับผลก็ต้องปรากฏ เป็นลำดับตัดดังนั้นการปฏิบัติหรือบาเพ็ญทุกทุกประโยคในหน้าที่ของเราโปรดได้ดนเนินไปได้วยความขยันหมั่นเพียรวาลกิดใดทิชชิ่ขึ้นมาเพื่อเป็นการตัดรอนความเพียรของเรา จะเป็นคิดเรื่องนอกก่อตามคิดเรื่องภายในทั้งตัวเองก่อต่างอย่าให้ได้ปล่อยความคิดกระเทือนนั้นให้สังสมตัวเองหรือพักตัวเองขึ้นมาเป็นมือกาลังมากสามารถต้านกานการดําเนินทั้งเราที่เป็นจิตประซึ่งตนมุ่งอยู่ด้ามันให้เสื่ยมน้อยถอยลงไปหรือให้ล่มละนายไปเสีย คำ ท, ที่ว่าค่าสึทนั้นเป็นเรื่องของเราไม่ใช่โลกกาาระถางยุบเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสทั้งหลายเหล่านั้นเป็นค่าสิทต่อเราโดยถ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของจิตที่ไปทำความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นต่างหากจึงนาเรื่องความทกเพลิดร้อนมาให้รเราพราะเขตดับ เพราสภาพทั้งหลายเหล่านี้เป็นของมี อ, อ, ย, อยู่ดั้งเดิมนับตั้งแต่พระพุทธ เ, ทเจ้าได้ตรัสรู้หรือก่อนที่พระพุทธ เ, ทเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นในโลกไม่ว่าองค์ใดๆก็ตามเรื่องสภาวะทั้งหลายมีความปรากฏขึ้นตั้งอยู่แปรสภาพผัดเปลี่ยนเยียนกันไปวนกันมาอยู่เช่นนี้ไม่เคยได้กินศูนไปจากโทกนี้มาตั้งแต่กาล ไ, ไหน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 จิตกอ่อเลื่องใปตัวเองจึงหาความสงบเนี่ยเป็นไม่ได้การที่เราบำเพ็ญจิตใจเพื่อจะให้ได้รับความสงบสุขนั้นัวได้แก่การพินิทพิจารณาสภาวะทั้งหลายที่ใจเคยรั้พันเกี่ยวเนื่องชอบรักกับสิ่งเหล่านั้นให้รู้ตามสภาพของเขา ทั้งรู้ตามเรื่องของใจ ท, ที่ไปเกี่ยวข้องเราไม่มีผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะทำความลำคาญด้วยเดือดร้อนแก่ตนเท่านั้นแล้วจิตของเราก็จะได้ดยกย้ายเตืี่ยนความรู้ความเห็นมาจากสิ่งที่ตนเห็นมาเป็นภาพสึซึ่งได้พิจารณารอบแล้วด้วยปัญญาหมุนตัวเข้ามา ทรงเป็นองค์แห่งความรู้มีท่านเรียกว่าความสงบปิฎยาแห่งใจที่สงบเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งอันใดทรงตัวอยู่ตามสภาพโดยไม่ต้องพึ่งพิ ง, พงอิ่นอาศัยโลกใดๆทั้งนั้นมีท่านเรียกว่าความสงบจุตของใจคือไม่มีสิ่งใดจะทําจิตใจให้กระเพื่อนและจิตใจก็ไม่เขย่าตัวเอง ด้วยอารมณ์คือการคิดตุงต่างๆให้เกิดความกระเครื่องซึ่งหาความสุขไม่ได้มีแต่จะพยายามกรรองจิตใจของตนออกจากอารมณ์ทั้งหลายซึ่งตนเห็นว่าเป็นคาสิกหรือซึ่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเป็นคาสิกออกจากใจเป็นลำดับลาดับใจเมื่อใด ชวนกระแสะออกมาจากสิ่งเรานด้อนเข้ามาสู่สจิตใจเป็นความรู้โดยลำพังตนเองไม่เกี่ยวกับสิ่งใจแล้วการนั้นแหละเป็นเวลาที่เราจะรู้ความสงบก็จะรู้ขึ้นในเวลานึความสุขก็จะรู้ขึ้นในเวลาหนึ่ง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 เป็นสันทิพิโกคือผู้ปฏิบัติจะปรากฏเห็นภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปเชื่อต่อผู้ใดแต่หากเป็นความเชื่อมั่นในความรู้ความเห็นความเป็นของตนอยู่ในเวลานั้นมีเป็นธรรมที่จะเป็นสี่หรือเป็นเชื่อให้ใจได้รับความเชื่อมั่นให้ใจได้รับความดลุดดีน เนืนเป็นสิ่งที่จะส่งเสริมความภาคเพียงความอดทนต่อการบําเพ็ญเพื่อธรรมหรือเพื่อจิตให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านี้โดยลําดับจิตนี้เป็นของกลางกลางจะว่าดดีเสียทีเดียวก็ยังไม่เคยจะว่าชั่วเสียทีเดียวก็ยังไม่เคย การที่จิตจะกลายเป็นจิตชั่วหรือจะเป็นจิตดีขึ้นาแก่บุคคลผู้นั้นๆต้องอาศัยสิ่งเรื่อแฝงหรืออาศัยการดัดแปลงจิตใจให้เป็นไปตามทางดีเหล็รือชั่วนั้นเ็นจิตเราได้รับความเดือดร้อนถึงมวัว เราอยากเข้าใจว่าจิตนั้นเกิดความเดือดร้อนขึ่น mue เข็นมาภายในตัวเองโดยหาสาเหตุไม่ได้แท้จริงสาเหตุนั้นแหเป็นเครื่องเกิดก่อนความเดือดร้อนของจิตซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นทีหลังแต่เราไม่สามารถจะทราบกระแสของจิตที่คิดไปก่อความเดือดร้อนอันเป็นตัวเหตุนั้น จนปรากฏผลคือความเด็ดตอนขึ้นมาภายในตนต่างหากหากเราได้สังเกต ด, ดูเรื่องของเราโดยเฉพาะไม่ว่าเอยาบทใดตั้งหน้าทำความสังเกตเรื่องจิตใจของตนจะเคลื่อนไหวไปสู่อารมณ์ใดๆทุกเวลาแล้วยางไรเราต้องทราบ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 เพความสุขก็มาใช่เกิดขึ้นมาเอาเฉยๆโดยปราศจากสิ่งส่งเสริหรืออุดหนนขึ้นมาต้องมีสาเหตุเป็นทางดีอีกเหมืนกันกับทางชั่วดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ทุกๆแง่ทุกๆกระทงที่เราจะทำกันอยู่ทุกๆวันนี้เป็นสาเหตุอันดีคือเป็นต้นเหตุอันดี ที่จะทําจิตใจของเราให้เน้นับความร่มเย็นเป็นสุดไปเป็นล้นจนถึงเรื่องของจิตโดยเฉพาะคือการบําเพ็ญการสอบรู้เรื่องจิตใจของตนที่ทันเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือการอบรมนั่นเองจิตใจเป็นอย่างไรจึงต้องอบรมถ้าจะเทียบแล้วก็ กิจก็เป็นเหมือนผลไม้ที่ยังไม่หามยังไม่ติดก็ต้องอาศัยการบำรุงลำต้นห้ต้นไม้ตน้นนั้นๆซึ่งเขาส่งผลอยู่แล้วนั้นได้รับอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงภายในตัวเองผลไม้ที่อยู่กับต้นไม้ต้นนั้นนั้นเมื่อต้นไม้ได้รับผลได้รับปุ๋ยได้รับอาหาร ต้นลม่าที่ติดเนื่องกันดีก็พอเดียรับความสิน้นค่าจากอาหารอีกเช่นเดียวกันแล้วก็นับวันจะห้ามหรือนับวันจะจุกเป็นละม่าการอบรมจิตใจก็เป็นจช่นนั้นพ่อวัดปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมเป็นเช่นเดียวกับปุ๋ยที่จะมาส่งเสริมจิตใจของเราให้รับปุ๋ยอันดีได้แก่ธรรมะ เมื่อปุ๋ย้างนอกก็ใส่เข้ามาปุ๋ยภายในได้แก่การอบรมจิตใจโดยเฉพาะก็บำาพ็ทุกๆเรนะือนเมื่อใจได้รับการสนับสนุนจากธรรมะที่ชอบแล้วก็ยอมจะปรากฏตัวริบเรียนแรงความรู้ความเห็นความเป็นของตัวเองเข้ามาทางด้านดีเสมอเสมอ จนปรากฏเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็นภายในตัวเองเห็นได้ทั้ทงกลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนั่งเรื่องของจิตจะมีความสงบสุขก็ต้องอาศัยปุ๋ยเป็นเครื่องบำบึ ง, งนี่หรอเรี่องหนึ่งกันดังนั้นเราทุกท่านที่ประกอบความเพียรโตได้ทราบว่าเรากำลังส่งเสริม หรือบำรุงจิตใจของเราด้ว อ, อาหารที่ถูกต้องกับใจใจของเราอย่างไรก็ต้องเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นเมื่อเราบำเพ็ญไม่ลดละแต่การปฏิบัติเบื้องต้นซึ่งได้เคยอธิบายให้ท่านทุกุันธ์ทากมาหลายครั้งแล้วว่าต้องเป็นการลำบากเป็นธรรมนาเพราะเรายังไม่เคยทำ แต่จะลำบากขนาดไหนขออย่าให้เหนือไปจากความเพียรของเราที่จะปิดกั้นหรือผลักสายความลำบากอนั้นให้หลุดลอยออกไปจากจิตใจเหลือแต่ความขยันหมั่นเพียรเป็นเครื่องล้อมละล้อมรอบจิตใจส่งเสริมบำรุงจิตใจให้มีความเอียดเป็นจิตขึ้นเป็นกำลัง นี่เป็นทางแห่งสันติธรรมเข้าไปเป็นขั้นขันนับแต่สันติคือความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากสมาธิและสันติที่เป็นความสงบขึ้นไปถึงขั้นแห่งบินมุกพระนิพพานจะไม่พ้นจากวิธีดำเนินซึ่งเราทั้งหลายดำเนินอยู่ในบัดนี้ คือมาได้รับความสงบในเวลาบาเพ็ญมีเข้าใจว่าขณะที่เราบาเพ็ญ น, นั้นจิตอาจจะเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ซึ่งเคยก่ อ, กอความยุ่งเหยินให้คนอยู่เสมอหากว่าจิตได้อยู่ในองค์แห่งภาวนาจริงๆแล้วยังไรความสงบต้องปรากฏแน่นอน ไม่มากมืน้อยเพราะจิตไม่มีทางเล็ดรอดออกไปสู่อารมณ์ขึ้นเป็นเที่ยงก่อเกลื่เลื่อเพราะฉะนั้นเรื่องของสติที่จะกํากับรักษาจิตใจนั้นจึเงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้บําเพ็ญเพื่อรู้วิถีของใจตนเองหากสติได้ขาดไปในวาระใดเรื่องความกระเพื่มของจิตที่จะคิดออกไประชูอารมณ์ต่างๆย่อมมีโอกาสจ ะ, จะแสดงตัว หรืออาจเอื้อมออกไปได้ในเวลาเทานั้นแต่เราไม่อาจจะทราบได้ว่าจิตได้เดินรอดออกไปเวลาใดแล้วก็มาเหมาตัวเองเนี่ยเราก็นั่งภาวนามาเป็นเวลาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชัว่วโมงเหตุใ ด, ดจิตจึงไม่เป็นไปเพราะความชั่งอกเยี๊ยบยู่และอาจจะคิดไปมากกว่านั้นก็ได้ว่า เราอาจจะไม่มีอำนาจวาสนาที่ควรจะตรงหาชนะธรรมธรรมสองสอของพระโพธิสัตว์ตลอดมรรคขุนนิพพานบ้าหากว่าเราทําไปก็คงจะเป็นเท่านี้เมื่อเป็นเท่านี้เราก็ต้องเป็นคนอาภัพไม่สมควรแกร่เพศขุมมาจานท์นี่เลยออกไปเป็นคารวะญาติโยมเขาเหมือนคารวะญาติโยมเขาแล้ว บำเพ็ญทางศีลภาวนาไปตามกำหนิดของตนก็เห็นจะได้บุได้สื่งจิตอาจจะคิดไปเชนนั้นก็ได้แต่เราไม่ได้ย้อนถึงเรื่องของเราว่าขณะที่เราบำเพ็ญดยูนนั่นเราได้มีข้อสังเกตริ้กกากับจิตใจอย่างไรหรือไม่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 ซึ่งเขาเคยต่ำอยู่แล้วตามปกติของเขาชุดลากจิตใจของเราให้ไปเป็นเช่นเดียวกับภาวะที่ทบเป็นอยู่นั้นนี่เราต้องย้อนถามตัวของเราเสมอาหากเราใา้ความใข้ครวนพินิษพิจารณาอยู่เช่นนี้แม้ขณะที่เรานั่งภาวนาเราก็จะทราบวิถีทางเดินของจิตที่เล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์เครื่องก่อกวน หรือทาความไม่สงบให้เราเราอาจจะมีโอกาสสามารถจะบังคับจิตใจซึ่งเป็นตัวคลิกขนองอยู่ประจำตัวตลอดเวลานั้นให้หายประยศประยศไปวันละเล็กละน้อยจนสามารถบังคับจิตใจของตนให้อยู่ในเนื้อมือของตนได้ ด้วยการพิจารณาตามที่กล่าวมานท่ะเรื่องของพิเลตตันหาอาชะวะทุกๆประเภทที่นักบัณฑิตนักปราชทั้งหลายท่านตำหนินั้นธรรมชาติเหล่านี้ไม่กลัวสินใดในโลกนอกจากจากตัวคนที่มีธรรมะเท่านั้น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 ร้อยไปตามที่เลสนั้นเป็นเรื่องจะส่งเสริมอำนาจวาสนาที่เลสของที่เลสที่เกิดมีจำนวนน้อยให้มากมุลนขึ้นไปเป็นอำนากจนไม่สามารถจะแก้ไขถอดถอนตัวได้เพราะอำนาจที่เลสมีกำลังมากมาขอให้นักท่านนักปฏิบัติโปรดทำความเข้าใจกับตนเองไว้ทุกขัน เผื่อความคิดที่เป็นปลทางต่ําจะทุกนาคเราลงไปเราจะได้มีเครื่องมือตามประหัตประหารหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นท่าติดนั้นว่เาเอาจิตใจทึ่งเป็นสมบัติของเราเข้าเข้ามาสู่หลักทําได้ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นของไม่มีคุณค่าอะไรภายในใจของบุคคลผุ้นัน้น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 เหล่านี้มีจำนวนไม่น้อยที่จะคออนุโมทนาสำหรับท่านผู้อิมุ่งนาปฏิบัติตามสุปฏิปันโนอุทุญาญาสามิกิปฏิปันโนเพื่อทำเรื่องสูงขึ้นไปเป็นลำดับหนักจนถึงบิมุตพนิพานเราไม่ต้องไปกังวลกับปัจใจสี่ที่อธิบายผ่านนั้นหวัดกลัวจากขาดเขิน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 ก็เป็นไปเพื่อความเย็นหูเย็นตาเย็นจิตเย็นใจมองเห็นทันนักปฏิบัติที่ดีดมีกิริยามารยาทเทียบร้อยมีเข็มทิดมุม่งหมายเพื่อทําอย่างยิ่งแล้วเกิดความเย็นอกเย็นใจแม่ตนจะบําเพ็ญอย่างนั้นเหมือนอย่างพระไม่ได้ก็เกิดความเย็นใจมีอเรียกว่าเขาพลอยได้รับบุญรับกุศลได้รับความสุข จากทันผู้ปฏิบัติยิ่งเป็นผู้มีความสามารถบําเพ็ญจนพอดถอนตนจากสิ่งที่เป็นของไม่มีค่าได้แก่ที่เหล็กคันหาอาศวะใดๆใทั้งสิ่นปรากฏตนเป็นผู้มีคุณค่าขึ้นมาในระหว่างแห่งที่เหล็กที่ได้สิ้นสุดรงไปแล้วนั้นผู้นั้นแหลคือว่าเป็นบุญญเหต เนื้อนาอันร่มเย็นสมบูรณ์ในกดด้วยนอกจากนั้นยังจะเป็นเนื้อนาอันร่มเย็นสมบูรณ์แก่ประชาชนทั้งหลายด้วยในโลกเขาได้กราบว่อย่างสนิทในจิตในใจเรื่องไสเต็มอกเต็มใจบำรุงพระศาสนาด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะมีหัวหน้ามีกองทัพห้าพาดำเนินเพื่อสัรติสุขให้แก่ธรรม ทางธรรมะและสารติสุขให้แก่โลกได้รับความร่มเย็นดังนั้นหลักของพระศาสนาที่วางไว้ทุกแง่ทุกมุมจึงเพื่อประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นเท่าที่ควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนเองศาสนาจึงไม่เคยเป็นค่าสิทธิ์ต่อโลกตั้งแต่การไหนไหนมา ใครจะเป็นคารวาตเจ้าเรียนกระเพศดสีนทำได้คอไหนก็เป็นความรุ่มเจน็นในครอบครัวหรือสังคมนั่นนั้นผู้เป็นนักบวชปฏิบัติาศาสนาบำเพ็ญศีนของตนให้บริสุทธิ์บำเพ็ญสมาธิของตนจนได้รับความเยือกเยน็นเพียงเท่านี้ก็เป็นผู้มีหลักใจไปที่ไหนก็เย็นอกเย็นใจยิ่งเป็นผู้มีความเฉลียวฉล า, าด ด้วยอำนาจการขุดค้นโดยทางปัญญาพิจารณาถึงสภาวะทั่วทั่วไปให้เห็นเป็นความว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์เป็นบุคคลทั้งท่านและเราทั้งสภาวะทั่วทั่วไปโดยทางปัญญาอย่างแจ้งชัดแล้ว้อนจิตใจของตนออกจากความเกี่ยวข้องพวกพัน์ซึ่งเห็นว่าเป็นขึ้นเป็นอันนั้นเสียนำลงตนด้วยความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ นี่ยิ่งเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าหาได้ภายในตัวบกของเราซึ่งไม่ต้องไปหาซื้อหาแหลกเกยนมาจากที่ไหนโลกทั้งหลายก็ได้กราบว่าคาร บ, บูชาเมื่อตายแล้วกระดูกก็ยังเป็นอิของมอคุณค่ามีราคาใครเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก็เป็นมงคลแก่ บ, บ้านนั้นเดือนนั้นแก่บุคคลผู้นั้น เทียนเดียวกับพระธาตุคงขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคาโลกทั้งหลายได้กราบไหว้ยอย่างสนิทผากเป็นผักตายมาจนกระทั่งถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะว่าพุธทธางสน า, ง า, านังกัจฉามิในองค์ของพระพุท ธ, ธเจ้าเครื่องที่เป็นของเกี่ยวข้องกับความเป็นพระพุทธเจ้านั้นลด้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เศษไปด้วยกันหมดเพราะคาว่าพุทธะนั้นเป็นธรรมชาติ ที่เป็นธรรมล้ำค่าภายในพระทยของพระองค์ท่านดังนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลาเกิดในวิตาิ์าความอุตสาบาเพลในหน้าที่ของเราคือการอบรมจิตใจให้เห็นผลประจัก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 เรื่องของใจนี้จะมีความล่มเ็นทรงตัวไว้โดยสม่ำเสมอจะไม่มีความเอีย ง, ยงไปตามโลกกระททั้งหลายที่เป็นไปอยู่เช่นนั้นตลอดกาลจะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นและมีความสม่ำเสมอภายในภายในใจถึงตลอดเวลายังมีชีวิตอยู่ก็รู้ชัด่าก ตนได้พ้นแล้วจากสิ่งที่เป็นท้าศิลที่คิดเดอาสวะเชื่องรังความจิตใจเมื่อผ่านจากธาตุขันธ์อันนี้ธาตุขันธ์ันนี้แตกสลายลงไปตามภาตเดิมของเขาเรื่องของธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมทั้งทงไม่ได้เอ็งเองียงลิ้น้อมไปตามสิ่งใดๆทั้งนั้น เพราะเป็นตัวของตัวอย่างเป็นที่แล้วหมดเรื่องที่จะพึ่งพิงกับสิ่งใดๆ ท, ท่านจึงเรียกว่าเอโกธรรมโมธรรมอันเดียนี่คือผลที่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรจะพิสปฏิบัติ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 และจะทำความสนิทติดจมกับสิ่งใดๆให้ปรากฏเป็นมีความเป็นพระประจำใจเราดีทุกสถานที่การเวลาไม่ไว้ใจและไม่ละแคละคายกับสิ่งใดเป็นผู้สนใจต่อการบำเพ็ญของตมอยู่อย่างนี้เสมอ นี่แหละคือทางจะเป็นไปเพื่อความเยืนเย็นแก่องค์ห่งรักของลักไม่ฟุ้งเฟอ้เอเหอเหืมไม่ตื่นเต้นไม่อับเฉาภ า, ายในใจเมื่อได้รับสิ่งมา ก, กระทบไม่เ้อเรอิ่มไปตามสิ่งที่มายโ่โยวนจิตใจโลกกระทาไม่อยู่ที่ไหน ถาใจม่เอ็นแต่แล้วโลกกระําก็สักแต่ว่าทีไม่อาจสามารถจะมาลังแจจิตใจทั้งเราให้เอ็นเอียงไปตามโลกกรรมำได้เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติมีหลักธรรมรักษาตัวเองอยู่ที่ไหนไปที่ใดให้สแสวงหาที่วิเศษตั้งนี่แหละเป็นหลักสำคัญ ซึ่งจะไม่ทำเราให้ขาดขุนใตที่ไหนก็มีกำลังการส่อสยงหาครูอาจารย์นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเบื้องต้นก็เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันคือแบบแผนตำลับตำลาแม้เราจะได้เรียนมามากน้อยแต่เมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติให้เป็นสักขีพยานแล้วก็หาหลักยึดไม่ได้เหมือนกัน ในข้อนี้ก็เห็นในโคดทของคมเองที่ได้สอบแสงหาครูอาจารย์แม้จะเรียนนามากก็ไม่สามารถจะยึดธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องประกอบและทรงตัวขึ้นมาได้ต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ทำธรรมิชธรมนามในทางพระในการปฏิบัติทั้งภายนอกและภ า, ายในให้ที่ช่างบอกทางและท่านบำเพ็ญให้เห็นเป็นตัวอย่างใก้จักอา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 เรื่องความเป็นภายในจิตใจนี้ยืงเป็นของสําคัญที่จะต้องศึกษาจากครูจากอาจารย์ให้ท่านแนะในยะให้เสมอเราจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องเนินช้าคือการปฏิบัติภายในจิตใจนี้ถ้าหากว่าป ร, ปราศจากครู อ, อาจารย์อย่างน้อยก็เนินช้ามากกว่า น, นั้นก็ผิดแต่เมื่อท่านครูได้ผ่านไปแล้วแนะนาําสั่งสอนเราย่อมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเล่นช้าผิดที่คงไหนท่านก็้แจงรณแสดงบอกแล้วก็กลับใจทันทีเะนาะพร้อมทั้งการที่บอกในทางที่ถูกให้เราได้ดำเนินทันทีจิตใจก็เป็นไปได้วยความราบรีบและรวดเร็วหลักการแสดงหาภูหาจยา์เป็นของจำเป็นอย่างนี้สำหรับผู้ที่มุ่งหาธรรมะ เป็นขั้นข่านขึ้นไปจนกระทั่งถึงธรรมะอันสูงสุดซึ่งจะรู้ภาในใจของผู้บำเพ็ญเรื่องของครูของอาจารย์จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะเกี่ยวข้องกับเราในการแนะนำจากเตือนสั่งสอนดงนั้นผมจึงขออนุโมทา น, นาและขอบคุณบรรดาทุกท่กทางที่อุตสามาจากทางกายขณะชีวิตจิตใจ ความเป็นความตายมอบไม้กับความตั้งอกตั้งใจมอบไว้กับธรรมะคำของพร้อนของพระโพธิจาในอิสระมาถึงถึงขนาดนี้และได้มีงาน้มาเพื่อบำเพ็ญศีลมาขอให้คุกคุกต่าจงสมตามความมุ่งหมายตัณนาดังที่ได้กละลตนมาในวาสารแห่งจะทํามเทศนานี้ถึงขอความ กำเนึกผลที่ทนทั้งหลายโดยมึงไม่แล้วจงเป็นไปในจิตของทาทังหลาโดยตัวหนังกันเอง